บุกทูยี่สิบห้าดวัในเมืองอุร่รมดดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟมเนื้ทริบนวักเลดิฉันต้องการไปที่สนามบิน มีเวทดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมืองมีเบเซ็ดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะยกมณีเรปิซนวากเซดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะยกมณีรปิซเอรพร์ ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะยักมีตราปิจูเจนเตหูระดมดิฉันต้องการแท็กซี่มีปัตเรบในแท็กซี่ดิฉันต้องการแผนที่เมืองมีปัตเรบในคาร์เตหูระดมดิฉันต้องการโรงแรมรร ม, แรมีปัตเรบในกอสตินิซซ์ ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์อยากให้ฉันไปขับรถไปเที่ยวที่นี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะวุ с ь м ม я คร е д ด т н а я к а р ์ก а น, นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะว о ฒ ь м ม่ водительское п о с в ิทธิ н ฉในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะ Что можно п о г л я д е т ь у города? е Сходите у старый город. з р а б и т е экскурсию на автобусе. Кун пай ти т а р у си ка. Сходите у порт. Пай тиао баб т а р у си ка. ยังมีที่เที่ยวที่อื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะยังมยากไหที่เ w w ่ย o ที่ d e สําสหรับหนังสื่อและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด